อัฐบริขาร 16. ผู้ที่บวชมาแล้วต้องเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นในอัฐะบริขารอย่าทำตัวเป็นผู้เหลาะแหละโลเลใจง่ายขายก่อนซื้อหลงตามกระแสนิยมเหมือนอย่างคนทั่วไปเขาหลงแฟชั่นกันปีนี้นิยมอย่างนั้นปีนั้นนิยมอย่างนี้เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเรื่อยเห็นเขาใช้บาทเหล็กกันก็เปลี่ยนไปใช้เหมือนเขา เห็นเขานิยมใช้บาสตัเลตก็เปลี่ยนมาใช้บาสตัเลตเหมือนเขาเปลี่ยนขาบาทเปลี่ยนผ้าสบงจีวรเป็นว่าเล่นเห็นอะไรก็จะเอาหมดเป็นพระเป็นเนนหลายใจเป็นพระเป็นเนนเจ้าชู้ให้เราดูแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเกร่งครัดมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งเนนมากมายทําอัฏฐบริขารมาถวายท่านทั้งขาบาททั้งร่มกดทั้งบาสเหล็ก บาสแตเลตทั้งผ้าสบงจีวรมีแต่ของดีๆสวยๆงามๆทั้งนั้นท่านก็ไม่ได้สนใจท่านยินดีในอัราบริขารเดิมของท่านบางทีลูกศิษย์ลูกหามาเปลี่ยนให้ท่านใช้ของใหม่ๆดีๆสวยๆท่านก็ถามหาของเก่าที่เคยใช้กลับคืนมาให้เรามีความยินดีในบริขารของเราถ้าไม่ขาดไม่หายหรือชารุดเราก็ไม่ควรเปลี่ยนบริขารบ่อย ให้เป็นผู้เลิศในทางมักน้อยสันโดษอย่าเป็นผู้เลิศในทางเข้าของเครื่องใช้งามมันน่าละอายมากที่บวชมาแล้วยังมาติดกับสิ่งของเหล่านี้อีกบางคนถึงกับไปจ้างวานเขาทำบริขารทำขาบาททำร่มกดตัดเย็บผ้าสบงจีวอนอย่าไปแข่งอวดบริขารกันว่าใครทำทำจากที่ไหนผ้าจีวอนจะหนาหรือจะบางไม่สำคัญสำคัญที่ว่าบวชมาแล้ว ต้องเดินจงกรมให้มากนั่งสมาธิให้มากทำอย่างไรจึงจะเป็นพระอริยะเจ้าได้นั่นจึงจะดี